เบาอ้วเนี่ยญาติอีกคนหนึ่งกำลังชักดิ้นชักงอยงอยู่โรงพยาบาลยอดสมานจะไม่ฟังธรรมเลยนี่ก็เห็นชาติแล้วว่าปฏิบัติธรรไม่เหมือนบ้านียังออไม่เหมือนกับอุบาสกบาลิกาในสมัยก่อนไม่นางมริยาเนี่ยสามีไปถูกฆ่าตายในสงครามลูกตั้งสามสิบกว่าคนเนี่ยตายในสงครามเน่ยนังไม่หวั่นไหวฟังธรรมนั่งไม่หวั่นไหวไม่เซโลคสถานเนี่ยหรือเศรษฐีท่านหนึ่งกําลังฟังธรรมอยู่ใช่ไหม เขาบอกว่าเนี่ยโจรขึ้นบ้านแล้วกำลังขนทรัพย์ไปครึ่งห้องแล้วท่านก็นั่งฟังทำเฉยกิดมุ่ง ม, มั่นอันนี้เป็นเครื่องวัดแสดงว่าเราเนี่ยวัดถูกกรรมเนี่เป็นอารามนาธิบ ด, ดีแต่ธรรมะเนี่เป็นอารมณ์เฉยมากไม่กระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราเลยอะ นี่เป็นข้อบองบอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่ต้องการอยากจะติงเราท่านทั้งหลายเนี่ยว่าว่าอะไรมันเกิดขึ้นในกระแสจิตใจเราทีนี้ทีนี้ถ้าพูดอย่างเงี้ยคนบางคนเอาอุ้ยมันเกินไปแล้วใช่ไหมจริงๆไม่เกินหรอกเพราะเราเนี่ยคําสอนของพระเจ้าเนี่ยในประเทศไทยเลยนะมันถูกตัดตอนมาตั้งนานแล้วสิ่งที่ถูกเนี่ยไม่ไม่ได้ถูกเลือเปื้นมาตั้งนานแล้วกระยับป่า มันเหลืออยู่ในใจพิดกนั่นแหละดีมันยังสืบทอดไม่ได้เนี่ยนับว่าบุญนักหนาแล้วจริงไหมเพราะว่าจริงๆนะวิธีคิดคนละ ม, มุมไม่ใช่อย่างที่เราเห็นไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจจริงๆฉ้นั้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าโอ้โหเป็นอย่างนี้ตรงนี้เนี่แหละถึงบอกว่าต้องการจะติงติงเราดังหลักบอกว่าอันคือยอย่างนี้ว่าไอ้กรณีที่บอกว่า ขันทาตุยาตะนาเนี่ยถ้าตามบอกว่าถ้าจะให้สิกขาสามเดินได้จริงอ่ะชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องม า, มาให้ควนใหม่หมดแล้วไอ้มาเช้กบอกว่าเรื่องพระธรรมเนี่ยทำไมเราอึดเธอเลอะเกินไหมแต่เรื่องวัตถุกรรมเราเร่งรีบเลอะเกินอันเนี้ยอันนี้ก็ไปลองไปคิดดูว่เป็นงั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมามองอู เราดีเป็นศาสตร์ที่จะต้องอยู่ในวัดตายอีกนานนะแล้วที่บอกว่าไอามาจะใช้จะเตือนอยู่อย่างเดียวแต่ก่อนนั้นมาก็คิดเงยเนี่ยเราไปเจอพระเจ้าองค์ก่อนองค์หน้าเนี่ยองค์นี้จะหมดแล้วเนี่ยเราจะตัดสรู้ทันไหมเนี่ยไอตัดสรุ้ไม่ทันแล้วไม่ทันว่าเสียหายแล้วเอาองต่อไปอ่ะอาต้าไปตกนรกไอามาใช้ไปสวยแล้วตอนนี้ขาลงใช่ไหมขึ้น อสไขายเขาลงอีกถึงแปดหมื่นมาตัดแล้วเร็วมากเร็วมากไม่ทันถ้าตกนโลกในอะายุยาวกว่านี้เอาดสิตัวเนี้ยไอ้ทำยังไงเนี่ยชีวิตที่จะเดินต่อไปจะทำยังไงอันดับแรกว่าตั้งตั้งอัธยาศาัยที่จะตัดสะดุ้งให้ได้สองสองก็คือว่าทำไงไม่ตกนโลก ถ้าจะตัดสรุปในปัจจุบันนพบได้โอ้โหโมทนาแต่ถ้าข้อมูลแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆน่อันนี้ไม่ใช่จริงไม่จริงแต่ไม่แน่นะใช่ไหมที่นั่งอยู่นี้อาจจะมีคนมีข้อมูลมากก็ได้แต่คุณต้องหลีกเล่นถ้าคุณยังอยู่เกลื่อนกลัวในสังคม โอกาสการ์เซโรไม่มีเพราะอินทรีย์จะไม่บริบูรณ์เอาละสิใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องวุ่นวายกับคนมากแต่มันพอเป็นไปได้ระวังทนเป็นไปได้เป็นระยะระยะเท่านั้นแหละการ์เซโสนวนก็คือไม่มีปัญญาภาษาโทรไม่มีปัญญาภาษาโทรก็แปลว่ามันไปเกลือกลั่วกับเขาอยู่ยังไม่ค่อยเห็นหรอกเขาเรียกมันมองไม่ชัด อันมาอูมาเมือนนอนเน่ะนอนตอนนั้นต้องกระเดืกกระเดืกขึ้นมาจากหลุมคูดก่อนแล้วก็มาล้างตัวให้สะอาดค่อยมองลงไปล้างให้สะอาดหลายวันเขาอย่าเพิ่งมองลงไปนะถ้ามองไปเดี๋ยวยินดีจะโดดกลับลงไปอีกต้องล้างจนตัวกลิ่นตัวมันดีก่อนเนะ่ะค่อยมองไปโอ้โหหน้าเหมือนเม่อเลนเนี่ยนะถ้างั้นใช่ถ้ากายออกมาได้ก่อนเนี่ยนะถ้างั้นเดี๋ยวมันจะโดดลงไปใน ห, หลุมคูดนี่อีก เพราะมันมันยังมีรสชาติอัตฉริยะาสาัยเราอยู่ในหลุมนั้นมานานแล้วทีนี้ถ้าหากคนที่เขามีปัญญาดีก็แปลว่าวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราเราจํากัดพื้นที่เราได้ไหยในกรณีที่จะเฝ้าพระเจ้าได้นานๆแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจํากัดได้ไหมถ้าจํากัดได้ก็มีโอกาสไอตรงเนี้ยนะอันนั้นก็บอกไปทีนี้ตรงนี้ก็จะไม่ ไม่ลยเดินก็เปทีรายละเอียดมากแต่ก็ชี้เห็นตรงนี้นะแต่วัตถุประสงค์ตรงนี้ก็คือว่าต้องการจะพูดเวทนาเพราะมันไม่ได้พูดมาหลายวันแล้วเนี่ยเข้าเวทนาหรือปรสนานะตรงนี้ก็คือชี้ตรงนี้ก่อนคือหนึ่งสแสวงหาอริยมรรคอริยมรรคก็จะสแสวงหาพระนิพพานเพราะอริยมรรคเป็นทางที่จะเป็นเป็นเครื่องสแสวงหาพระนิพพานใช่ไหม ทีนี้อริมัชเมื่อกี้จะเป็นเครื่องแสวงหาพระนิพพานนั้นอริมัชนั้นก็จะต้องเป็นเบื้องต้นจริงๆก็คือเป็นสมัมมามัชนนั่นแหละในคําสอนในคําสอนเนี่ยท่านจะกล่าวเกี่ยวกันในเรื่องของคําว่าการแสวงหามัชเนี่ยนะแล้วมัชจะแสวงหาพระนิพพานเนี่ยที่บอกว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบทที่ประเสริฐ สัจจะสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาทำทั้งหลายเวลาฆ่าทำประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายก็ตถาคตผู้มีภาพปัญญาจักสู่ประเสริฐที่สุดทางนั้นเท่านั้นเป็นไปก็ความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่มีตรงนี้คือมรรคในพระบาลีที่กล่าวในเรื่องของมรควะที่มรควะที่ท่านกล่าวไว้เห็นไหกล่าวบอกว่า <c oughs> มคานะทะกิโกเซโทสัจจานังจตุโรปธา วิราโคเซโทดัมมางทิปทานั้นจะจากขุมาเอเสวะมาโคนาทัญโยทัสนนาสาวิสุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปชะธามาราเซนะปโมหนังเอตันหิตุมเหปฏิปันา โยคัสันตังกริสธาอคขาโตโวมยามโคอัญญายสัลลัสสัทนางตุมเฮิติจังอาตาปังอคขาตารุตตาทตาปฏิปันนาปโมคันติชายโนมาระรรนนาวะ บรรดาทางทั้งหลายทางที่มีองค์8ปดประเสริฐที่สุดตรงนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ดนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นในประเสริฐที่สุดสัจจะมีอย่างใช่ไหมเป็นว จ, จีสัจจะก็ได้สมมติสัจจะก็ได้ปรมัตติสัจจะเป็นต้นก็ได้แต่สัจจะที่ประเสริฐที่สุดนั้นได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมากถ้าใครแทงตลอดอริยสัจแล้วก็สามารถพ้นทุกได้เรียกบทสี่ที่ประเสริฐที่สุด บรรดาธรรมทั้งหลายเวลาฆ่าธรรมวิราฆ่าธรรมธรรมที่สิ้นลาฆ่าจริงๆเป็นชื่อของพระนิพพานในซ้ำสูงสุดนี่นะสัตว์สองเท้าทั้งหลายก็คือพระบรมศาสดาคือพระเจ้าประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นเป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะก็หมายความว่ามรรคแเนี่ยสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นเป็นปุปปภาคของอริยมรรคเช่นกายานุปัสสานนาสยปฐานเนี่ยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสด็จได้ซึ่งเกี่ยวดูนะ ในกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาสังเกตดูนะว่าสติปัฏฐานมีสี่ท่านใช้คำว่าจัตตารสติปัฏฐานาเป็นพระหุปส์ก็หมายความว่าสติปัฏฐานมีสี่อย่างมีกายมีเวทนามีจิตแล้วก็มีธรรมะนะส่วนอริยมรตมีอยู่อย่างเดียวให้สังเกตดูกายานุปัสนาให้จะมีอะไรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอันนี้คือมรต นายมัดเนี่ยมัดไปอยู่ในหมวดกายก็มีมัดไปอยู่ในหมวดเวทนาก็มีไหมเวทนาโนปัสนาสติปฐานมีความเบียนมีสัมพชัญญามีสติกระจัดและพิจารณาและทมนัสเห็นไหมฉะนั้นมัดไปอยู่ในหมวดของเวทนาก็มีจิตเตจิตตาโนปัสีวิหารตีนะอาตาปีสัพชาญโนน่ยสติมาวินายะโลกเก ว, วิชาโดมนาสังเป็นต้นเ้็นไหฉะนั้นแสดงว่ามัดไปอยู่ในจิตตาโนปัสสาก็มี มรคไปอยู่ในธรรมะท๊ะเธรรมเมสูตรธรรมานุปสิยุวิหารติเป็นต้นนะอาตาปีสัมปชาญญโสติมาวิทยาโลกีอวิญญาโดมานะสามเห็นไ้มสรุปแล้วก็คือในหมวดของกายก็มีมรคอยู่ในหมวดของเวทนาก็มีมรคอยู่ในหมวดของจิตก็มีมรคอยู่ในหมวดของธรรมะก็มีมรคอยู่นี่แหละมรคนะคือทางสายเดียวแต่สติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่สี่อย่างคือหมวดของกายหมวดของเวทนาหมวดของจิตและหมวดของธรรมะ กายคือรูปขันธ์เวทนาคือเวทนาขันธ์จิตคือวิญญาณขันธ์ธรร ม, มานุปัสนาคือสังขารขันธ์และสัญญาขันธ์สรุปแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็คือกันธะห้าเข้าใจยังก็คือขันธ์ห้ า, อ, า, อ, หาอันนี้แยกออกนะฉะนั้นพระเจ้าทึงบอกไงบอกว่าทางนี้เท่านั้นเป็นไปเพร่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่มี ทางอื่นที่จะหมดจอดแข่งทัศนะเนี่ยไม่มีออันมาต้องถอดแ ว, ว่นนั่นแว่นเ่ไม่เป็นไรเนะียเพราะว่าแว่นมันเป็นเพราใส่ปั๊บมันมองเห็นใกล้ได้แต่ถ้าไม่ใส่มองไม่เห็นถ้ามองไกลเนี่ยมองหน้าคนฟังไม่เห็นเนี่ยนะก็เลยต้องใสยยง่บางทีเขาบอกเอ๊ะทําไมมันย้ายถอดแว่นบ้างใส่แว่นบ้างเนี่ยอันมาก็ลำพังตัวเองก็เงินเนาะแต่พยายามลองรับไม่ตัวตามไปเจอเดี๋ยวถอดเดี๋ยวเข้าเดี๋ถอดเดี๋ยวเข้าจรก็ ถ้าไม่ถ้าไม่มองไม่เห็นนะเออถ้าไม่ใส่มองไม่เห็นก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทางอื่นไม่มีดังนั้นท่านทั้งหลายจงปฏิบัติทางนี้ถ้าปฏิบัติตามทางนี้แล้วเนี่ยมารและเสนามารก็หมายความว่าจงปฏิบัติทางอันเป็นที่มารและเสนามารทํานไม่หลงก็คือว่าถ้าเดินทางนี้ละมารและเสนามารจะมองไม่เห็น เรารู้ทางนะด้วยว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมนี้แล้วจกพ้นจากชาติทุกชราทุกขมรณะทุกโสกับไปได้เรววทุกขโทมิณสานแล้วกายะเรารู้ทางเป็นที่สลัดลูกศรถามว่าความเกิดเป็นลูกศรนไหมความแก่เป็นลูกศรนไหมความความความเจ็บป่วยเป็นลูกศรนไหยความตายเป็นลูกศรในความโศกความลำบากให้ลูกศรนไม่ปักตักตลอดเลยเนี่ยเรา ถ้าเดินตาอื่นเดินลูกสอนเสียบอยู่แล้วน่ากลัวนะถ้าไม่เดินตามมักเนี่ยลูกศรนกเ็เสียบเอาเสียบมาตอลอดเลยถ้าถามว่าใครบ้างไม่เคยเดินลูกสอนแทงเดินกี่ดอกกันแล้วก็ไม่รู้เลยเนี่ยเดินเสียบกันทุกวันทุกวันยังไม่รู้ตัวเดินเสียบยดิลูกศอนเสียบอาแล้วลใช่ไหมวันยอมหาังจำได้ไหมล่ะวันก่อนด้วยท่านอาจารย์ไปหกลบ แม่ลูกสอนเห็นไหมเนี่ยเห็น ไ, ไหมแล้วก็ยังยังบาดเจ็บกันทุกวนนันก็เสียบตลอดเวลาเลยแล้ ว, แ ล, แ, ลวแล้วถอดไม่ได้ลูกศอนเนี่ยถอดยากต้องใช้คีมระดับอริยมรึงถึงจะถอดออกดังนั้นถอดไม่ออกหรอกแล้วก็ปักสัดโรคนี่ในสังสารวัตแล้วแน่นเนี่ยอันมาใช้คําว่าตะปูตอกติดฝาโลงเรียบร้อยแล้วเรางัดไม่ออก เราต อ, อกทุก ว, นวันเวลาเป็นลอยๆเข็ม้อยๆด อ, อ, อกต อ, อกอยู่นั่นแหละต อ, อกติดทั้งสารละวาดมันจะมีเงยออกยังสารละวาดได้ไงถามว่าเอาอยากจะไปนี่พานกลับไปมองหน้าหลา น, นยังสวยงามอยู่ไป ม, <c oughs> ม, มองยิ่งดีใจอยูอย่่เลยไม่ร้อนเลยะเป็นมองเห็นว่านี้ทุกเนี่ยเห็นไหมนี่โอวเป็นที่ตั้งของชาติที่ทุกเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช่ไหมเป็นที่ตั้งของชาลาทุก เดี๋ยวก็ต้องไปแก่เนี่ยเนี่ยเกิดมาแล้วเห็น ไ, ไหมถามว่าเกิดปุ๊บเนี่ยความแก่มันก็ติดมาและเห็ดเวลาแทงดินขึ้นมาเนี่ยดินติดหัวเห็ดขึ้นมาด้วยไหมนั่นแหละปฏิสนธิตปฏิบัติปุ๊บเนี่ยชลาพญาทิมรนก็ติดอยู่บนหัวเลยไม่รู้ตัวกันเองเมันติดอยู่งั้นไงเราไปเห็นโอ้หน่ารักมันน่ารักอะไรมันทุกข์ใช่ไหม ชาติทุกข์แท้ๆใช่ไหมเป๊ะเอาถามว่าหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเด็กคนนั้นก็มีชาติทุกข์ชร า, าทุกพยาทุกมาเลยนะทุ ก, ทกเป็นที่ตั้งความโศกความล่ำไรรำพันเต็มอยู่แล้วถามว่าเราไปยินดีในตานั้น เ, นเราทํากรรมเท่าไหร่แล้วยัจะต้องเกิดเพราะการมีตายเท่าไหร่อุ้ยตานี่น่ารักบางคนอกต า, า, ก า, าเด็กคนนี้น่ารักมันดูแจ๋วเว้ยบอกนะ ดูโห่ใสน่ารักยิงกว่าไหมถามตัณหาที่เกิดเนี่ยเข้าใจไหมแล้วมันทํากรรมเท่าไหรนะ่เนี่ยแล้วเราฝังความยินดีไว้เรียบร้อยแล้วกับตาเด็กคนนั้นแล้วเราจะปรารถนาตาย ก, กี่สิบคู่กี่ร้อย ค, ค, คู่เราคิดดูกรรมเนะี่ยน่ากลัวจะตายแล้วตาเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ไหมแล้วเรายินดีพอใจในตาเราจะต้องไปเกิดมีตายเท่าไหร่เราจะต้องมีตาแล้วก็จต้องไปแก่ไปเจ็บไปปวด ใช่ไม่ใช่ดูดิเอาแค่ตาอย่างเราก็เสียหายวิบัติกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วแค่ยินดีพอใจในตาแล้วเราไม่เคยทำบาลิญญาในตาคู่นั้นเลยอะไม่เคยไปรอบรู้เลยว่านี่ของเท้าเนี่ยตานี้ยลองไปคิดดูทีถ้ายองสมานมาวิจัยดูทีจักขู่ภาษาธาตุที่เราไปยินดีเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรเนี้ยดินน้ําไปลมสีกลินรสโอชาธาตุใช่ไหมใช้ชีวิตแต่รูปแล้วก็จักขูรวมเป็นสิบรูป จะขู่ถ้าสกปรารบกระดาษที่มีกันมวนลรูปสี่เนี่ยแวดล้อมไปด้วยรูปที่เกิดจากจิตอุตูและอาหารรวมไปถึงเครือสร์สามภาระจะขู่ในสศสตรมภาระจะขูคือก้อนตาทั้งหมดโยงใยด้วยเส้นใยเส้นเลือดเยอะแยะหมดไอตาต่างๆเหล่ า, า, า, านี้จะขู่ประสาทเหล่านี้มันมีอวิชชาตันหกรรมอ๋อนี่สัตว์มีมีกรรมมีตันหาเป็นเพื่อนมั น, น, นึน้อมเลยได้ตาใช่ไหมมันมีรหัสคือตัวสกยาทิถีคือตันหาฝังแน่นกับมลสันดานของสัตว์เนี้ย ไอ้ตัวการมันถึงผลิตไหมวะการมันถึงส่งไหมันมันมันรับมันเชื่อมกันอยู่นะระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยถ้าระไม่อูมงไงดีอุมาไงดีวมาบอกนี่เคยเคยเคยเห็นบางเรื่องที่เขาชิปเอาชิปฝังฝังไว้ในสมองใช่ไหมไปที่ไหนมันก็เห็นแล้วถอดชิปออกไม่ได้จะมันในสมองอะเอาละสิตอนนี้ไอ้นี่มันการตัณหาที่ฝังแน่นในกมลสันดานน่ย เอาทีมันถอดได้ไหมตัณหาตัวนั้นมันละได้ไหมนะในกระแสะของการท่าใดเจตนายังไม่เคยประชุมอริยมรรคเลยในอดีตที่ผ่านมาอาวิชชาตัณหากรรมมันก็ผลิตมันก็อา้าวเรียนอยู่ละเอกอุปาทิยนาติกาท่องนี้ใช่ไหมสภาวะธรรมทั้งหลายที่กรรมมันตัณหาเลขที่ตีเข้าไปติดยึดไว้ด้วยการด้ความเป็นผลเนี่ยใช่ไหมก็หมายความบอกว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมันเป็นผลของตัณหาที่เขาบวกกับกรรมแน่ดีนะตัณหาเขาเย็ดว่าเป็นผลของเขาเวลาเขาจะให้เนี่ยเขาก็จะให้ที่นี่แหละเขาจะบอกกรรมเอ้ยเนี่ยนี่มันผลของเราถ้าคุณจะทําให้เจ็บปวดคุณก็ส่งก็ได้เขายหญ่ยางเขาเย็ดของเขาไม่เบียดเสร็จแล้วเป็นผลของเขาเขาจะบอกเป็นรูปของเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเขาใหญ่ใช่ไม มันเย็ดไว้เบ็ดเสร็จหม น, นี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เดินตามอาริยมร์เนี่ยเรารู้ทางเป็นที่สลัดออกลูกสอนคือพระเจ้าพวกท่านทั้งหลายเพิงทําความเพียนเผากิเลสตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเพียนเพ่งอยู่ย่อมจะหลุดพ้นจากบ่วงของมารเป็นต้นนะเพ่งโดยสองอย่างนะอริยมโนปณิชฌาและก็ลักคนูปณิชฌา ทีนี้ประเด็นที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็คือในเรื่องของเวทนานุาือปรสนาเดี๋ยวจะไม่เข้าเนี่ยนะเดี๋ยวไปไปไกลจะไม่ดีสรุปก็คือไปดูในเวทนานะในหมวดของเวทนาหรปัสนาสถิปิปฐานเนี่ยพูดถึงในเรื่องของเดี๋ยวสรุปเวทนาอย่างนี้ดีกว่านะเอาเวทนาสั่งยุตมาสรุปง่ายๆไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่หรอกนะเพื่อต้องการจะสรุปให้ให้ได้ ในในเวทนาสังยุทธ์เนี่ยโผล่คำพีเก่ามาเลยคือต้องการอยากจะสรุปให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องของเวทนาเพราะว่าในหมวดของเวทนานุปัสนาเนี่ยไปศึกษาเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาพอเรียนเรื่องเวทนาแล้วจะได้เข้าใจเนาะเข้าใจว่าเออเวทนาเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเล้เนี่ยไปถ้าพูดถึงเรื่องเวทนาก่อนเนี่ยเวทนานี่มีกี่อย่าง เวทนามีเท่าไหร่ต้องเชื่อมโยงในปริเฉที่สามนิดนึงนะเพราะพุทธเจ้าตรัสเวทนาเวทสามก็มีเวทนาห้าก็มีใช่ไหมพระพุทธเจ้ากล่าวเวทนาสองมีไหมกายกับเวทนาและปัจเจศสิกเวทนาใช่ไหมดูก่อนพุทธภิกษุทั้งหลายเวทนาสองอย่างมีอะไรบ้างกายกับเวทนาแล้วัจเจศสิกเวทนาเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเวทนาสองโดยประเภทแห่งสุขและทุกข์ส่วนเวขาเวทนานั้นพระองค์ทรงส่งข้อเข้าไว้ในจํานวนสุขเวทนา น, นอะอธิกาถาจารท่านก็แสดงไว้บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทร ง, สงแสดงเวทนา2อคือสุขเวทนาทุกขเวทนาส่วนเวขาเวทนานั้นพระองค์ทรงแส ด, ดงไว้ในสุขเวทนาพอมีความสงบและประณีตสรุปแล้วเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจอันนี้เป็นเวทนาสอง ส่วนในวิภาวนีท่านแสดงเวขาเวทนาที่ไม่มีโทษเข้าในสุกเวทนาเนาะบาลีไม่ต้องกล่าวแล้วที่บอกวิภาวนียังปัญญาเป็นต้นเหล่นั้นอะ่ะเวขาเวทนาที่ไม่มีโทษส่งเคาเข้าในทุกขเวทนาตามที่ท่านอาจารย์วิภาวนีเดกาแสดงว่าไม่ไม่มีพุท ธ, ธาสิทธิน์นะแต่ก็เป็นต้อยคําที่ควรจะเชื่อเอาไว้ได้เป็นต้นทีนี้ประการต่อมาท่านก็นแสดงเวทนาเท่าไหร่เวทนาสคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ เขาเวทนานี่ยกสูตรมาดีกว่าเนา ะ, ะความทุกข์ถ้าสันติสุขจริงจรนี่หมายถึงพันิพานนะต้องอย่าลืมนะสันติสุขหมายถึงพันิพานเวทายจะสุขได้แก่สุขเวทนาเนาะสุขเวทนาองค์ทได้แก่ได้แก่เท่าไหร่ดีจิตที่เป็นสุขเนี่ยมีอยู่หก สเท่าไรหกสิบสองหกสิบสามดวงหกสิบสามดวงนั้นเป็นสุขทางกายสัหนึ่งไม่สุขาดสาขาตกายยาวียนาณจิตหนึ่งนั้นมีสุขเวทนาประกอบนอกนั้นอีกหกสิบสองนั้นเป็นสุขทางใจนะข้สมณสเวทนาไปสรุปแล้วก็นั่นแหละหกสิบสามความทุกข์มีอยู่เจ็ดอย่างเนี่ยทุกขทกองค์ทำได้แก่อะไรอ่ะทุกข์ทุกข์ดมีสองทุกข์เนี่ยถ้าเราทุกข์ยกกาลังสองเนี่ยทุกข์าทุกข์านี่ทุกสองครั้งใช่ม ขดทุกยกระกลังสององทําได้แก่อะไรทุกขัสังขตากายวิญญาจิตหนึ่งแล้วก็โทสารมูลจิตอีกสองนะเองไหมเป็นนี่ขดทุกข์ค่ะทุกคือทุกกายและทุกใจเอาใครเคยทุกกายไหมแล้วเคยทุกใจไหมเคยไม่ทุกใจแต่ไม่ทุกกายมีไหมแล้วทุกกายแบบไม่ทุกใจเคยไหม น้อยยังไงละกายทุกข์เป็นหลายใจเปนทุกข์ทุกตีใช่ไหมใช่นี่ผู้ดูชนมักไปเยอย่างเงี้ยไอ้ผู้ดูชนเนี่ยโดนมากแยกกันยากจริงๆถ้าถ้าดอนอะไรตีหัว่ตูมลงมาทุกใจด้ไหมทุกใจนะโดนด่านี่ทุกใจเนี่ทุกกายทุกใจบางที่ไปทมมานัดแล้วนอนไม่หลับกายทุกเด้วยมั้งตายเนี่ยแต่ผู้ดูชนเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เรื่องเวทนาถ้าเป็นพระรยาเนี่ยกายท่าน จะไม่เคยทุกข์หรอกเออใจท่านไม่ทุกข์หรอกกายเป็นทุกข์โอ้ตอนภาษาลิบุตรตอนที่ท่านภาษาลิบุตรโดนโดนตีนี่โดนทุบตัวหรือว่าพระโมกคัลลานะ้าโดนทุบอยู่ลองคิดดูนะท่านโดนทุบเต็มที่เลยละเอียดเลยหน้ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์โอ้โหไม่ไม่ง่ายเลยคือโทรศัพท์าาไม่มีอ่ะ ก็ไม่มีโทสะเอาโทสะออกก็มีทุกขาา์ขาสาขะตากายเยอะแยะไงทุกตรงนั้นแหละมันสะเทือนไหมสะเทือนแต่ว่าสะเทือนแค่กายไงแค่ทุกข์ข่าราสาขะตากายแต่จิตใจของท้านก็มีอยู่สองเวทนายหมากียริยามท้านน่ะมีโสมนัสกับอุเบกขาท่นโสมนัสก็ไม่มีหไหม ท่านได้สองเวทนาแต่ทุกขเวทนาท่านก็มีแต่ทุกกายอย่างเดียวถ้าหากโทาสารนี่ทีโอ้โหยใช่ไหมสามไปเยอะแต่ ท, ทก็เศร้าหมองที่ตั้งคืออ่างทีย ว, วัตถุ ก, ก็ร้อนกระทบไปจนถึงนะี่มาพูดแต่ดินน้ำไปลมที่เกิดจากกรรมจากจิตจากกุตูจากอาหารในต้อนอู๊ปไปหมดเลยหน้าตาก็เครียดขึ้นมาเลย เดี๋ยนี้โอยดูไม่จืดเลยเดนี้คน ง, งามๆอยู่ดีๆต้องโกรธให้ามาดูบ้างไม่มีงามแล้วเอาที่เอางามที่สุดนะลองมาทําท่าโกรธให้ดูโกรธจริงๆเนี้ยนะความงามจะหายเกลี้ยงเไปนั่นแหละโทรศันี่เป็นอย่างนี้นทัทุกกระทู้ก็มีสองส่วนนะทุกกายกับทุกใจก็จับองค์ธรรให้ถูกเวลาจะเรียนเรื่องเวทนาเนี่ยคือตอนนี้จะเริ่มสรุปให้ดูแล้ว ถ้าจัองค์ธรรมถูกต่อไปเวลาไปไข่ควรไปวิจัยเวทนาจะได้ชัดนะเดี๋ยวเวลาหนึ่งเราเราเรียนระหว่ังพระสูตรเรียนการวิธรรมเชื่อมลงสู่วินในยีนเนี่ยนะจะได้จะได้เชื่อมลงเห็นแล้วจะได้เวลาอ่านพระสูตรเนี่ยนะจะได้ดึงองค์ธรรมเข้าไปวัดแล้วไปตรวจสอบได้ต่อไปเวลาอ่านพระไตรปิฎกกันพวกเราก็สบายนะสบายก็แปลว่าพอต่อไปดีแล้ว แต่ต้องการยังไม่ยอมอ่ากกนกันดี้นะต้องรีบเร่งอานเพราะต่อไปเนี่ยไทยมาอ่านให้เราฟังอยู่ไหมเราต้องเดินทางคนเดียวนะจะเดินจะเดินจะเอาศรัทธาเป็นเพื่อนหรือเอาตาสนาเป็นเพื่อนนะจริงเขอกนี่ให้พูดเนี่ยเอาศรัทธาจริงๆนะศาสนาขตาัตตโพธิศรัทธาเนี่ยแบบตาสนาเป็นเพื่อนก็นเนี่ยก็ลองไปดูเดี๋ยวเราลองตอนเขาเบรกดูก็ดูจะเอาศรัทธาหรือเอาศาสนาอายุน้อยพออ๋อโทภาษาอิบุตนะมี มีสองลายเท่าที่ปรากฏในคัมภีร์ลายหนึ่งก็เป็นประชาชนที่เขาไปข้างหลังนี่ไปทุกข์ขนตอนท่านออกวินาบาทอีกรายหนึ่งก็คือนอนทายักษ์ทบวิปริณามะทุก็ได้แก่สุขาสาขตากายยะวิญญาณจิตหนึ่งแล้วก็สมานาสาขาจิตหกิบสองเจ็สิบที่ประกอบสี่สิบหกอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าวิวิปริณามะทุกนี่จับประเด็นได้แล้วนะ ฉะนั้นในขณะที่เกิดสุขทางกายหรือสมนะทางใจเกิดขึ้นนั่นเขาเรียกวิปริณามะทุกข์ไม่ใช่สุขทําไมจึงเรียกวิวิปริณามะทุกเพราะอะไรทําไมจึงเรียกว่าทุกเพราะไม่ใช่วิปรินามมากแป้วเปลี่ยนใช่ไหมไอ้สุขที่ว่ามันสุกนะ้ำมันตั้งอยู่ได้จริงไหมลองชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราลองสุขจา ก, กวัตถุกรรมทั้งหลายก็ดีเนี่ย ไม่ต้องถึงสุขระดับในชานสุขนะเพราะจริงๆมันรวมมีเบสเสร็จหมดเลยนะเนี่ยหกสิบสองะหกสิบสองเห็นไหรวมหมดเลยอะโลพาสมณัสีสมณัสสันตีหนึ่งสมนัสสีหนึ่งเอาลายไปทีใช่ใช่มหาุโสดมัสสมหาวิบากสมนสัสสีมหากิริยาสมนัสสีปฐมฌานนัินสเอดทุทาาา 90, ติยฌานจิสเตติยฌานนจิบเตุตฌานน1จจิสบเอดรวมหมดเลยใช่ เนีย่ยมาไม่ได้ทอกไม่ได้นั่มานานแล้วพอดีมันเพิ่งจําได้ก็เลยว่าให้ฟังนั่นแหละหกสิบสองถึงโลกุตรานะมไหมมรรคจิตผลจิตที่เป็นสุกเยอะใช่ไหมนั้นสุขเหล่านั้นเที่ยงไหมนั่นแหละเขาเรียกวิปริณามะถ้าพูดเรื่องขันแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเที่ยง เ, ยเวทน า, าตัณยาารนิยานไม่มีเที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวดเร็วมาก นอนหลับแล้วก็ฝันดีๆไอ้จะสุขหรือทุกข์ขนาดจิตเดียวแล้วนะแต่ในนรกก็ขนาจิตเดียวนะแต่ขนาดจิตเดียวมันเกิดดับยังไม่ออกนะต้องเข้าใจนะตรงนั้นนะต่อมาก็คือสังขาระทุกข์ได้แก่จิตเจตสิกแล้วก็รูปทั้งหมดนี่สังขาระทุกข์กับสังขาระขันนันเดียวกันนะสังขาระทุกข์ทุกประจําสังขารสังขารละขันอันเดียวกันคือคืออะไรจิตเจตสิกรูป นี่เป็นสังขาระทุก น, นะแต่ถ้าสังขารลขันจะแยกแล้วนะสังขารทุกสังขารธรรมเนี่ยรวมเบ็ยดเสร็จนะแต่ถ้าสังขารขันเนี่ยจะเอาโลกยียะแต่ถ้าสังขาระทุกทั้งหมดเลยนี่นะเ้าเรียสังขาระธรรมนั่นแหละนี่ก็แยกเป็นถูกประการต่อมาก็คือปฏิฉันนาทุกหรืออาปากตะทุกเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายทางใจนะเช่นยังไงดีล่ะปฏิชันนาเนี่ยเ้าเรียกว่าปวดฟันปวดหูเนี่ย ปวดศีรษะเป็นต้นเนี่ยเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นเพราะราคาโทรศัเป็นต้นก็ได้นะอันนี้ก็ปฏิชันชนาทุกเคยเป็นไหมปวดฟันปวดหูอะไรต่างๆเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยนะอาปฏิชันหนาทุกหรือปากะกาทุกได้แก่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายมีบาแดแผลต่างๆอันนี้ก็รวมใจด้วยนะปริยายทุกข์ก็จะวิปรีนามทุกและสังขารลทุกนี่นแหละนิปริยายาก็จะแก่ทุกก ะ, ะทุกปฏิชันหน้าทุกแล้วก็อาปฏิชันหนาทุกนะ สรุปตรงนี้ก็คือว่านี้ท่านกล่าวเกี่ยวเรื่องของความทุกข์ไว้แต่เรื่องเกี่ยวกัเรื่องของอุเบกขาอะไรต่างๆนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามไปแล้วโอ้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะเยอะมากใหญ่นะเข้าเรื่องเลยดีกว่าอาเวทน า, าสัญยุตมากล่าวนะตรงนี้ไม่มีใครถามแล้วเนาะเอกังสมยยังพระกวาว่าไปนะสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าประทับที่เวรวันเวรวันอารามของท่านนาลาตัินิกาเสดฐีเนี่ยนะ สมัยนั้นก็คือในเวทนาสังนะาส่งยุทธ์เนี่ยนะในเวทนาสั่งยุทธ์สมัยนั้นพระเจ้าประทับที่เวรุวันเขตยนพระกราชจริญครั้งนั้นนะ่ะโมริยาสิวะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้สนทนากับพระพุทธเจ้าครั้นได้ปราศัยกันพอให้เลิกถึงกันแล้วก็นั่งลงหน้าที่ควรส่ว น, นหนึ่ง แล้วระได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญมีสัมณพราหมณ์อยู่พวกหนึ่งมีวาทามีที่ฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษคนนี้ได้เสวยสุขทุกหรืออทุกขาสุขทั้งมวล น, นี้ล้วนมีการกระทําไว้ในปางก่อนเป็นเหตุดังนี้ในข้อ น, นี้พระโคโดมจะตรัสอย่างไรตรงเนี้ยท่านมีความเห็นว่าอีกมีส ม, มณพราหมณ์บอกว่าเนี่ยคนที่ได้รับสุขทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมาจากผลกรรมในอดีต เออมาจากผลกรรมในอดีตบอกมีคนเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วในพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพุทธเจ้าประกาศว่าตรัสรู้นั่นน่ะว่าความเห็นของท่านเนี่ยถูกหรือผิดอย่างไรในตำร่องนี้ก็มาถามนีถูกไหมเอาที่เราได้รับสุขและทุกข์นในปัจจุบันเนี่ยเกิดมาจากผลกรรมในอดีตอย่างเดียวเนี่ยถูกไหมถูกถกไหมนี่ก็เชื่อกรรมเชื่อ ก, กันจะทําแล้วไม่ใช่นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนศิวากะ เวทนาบางอย่างมีดีเป็นสมุทฐานก็มีย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้ข้อที่โอเวทนาบางอย่างมีดีเป็นสมุทฐานในโลกนี้บุคคลทราบได้เองอย่างนี้ก็มีโลกรู้ว่าเป็นของจริงก็มีเห็นไหมคือทุกเวทนาบางอย่างก็ดีหรือเวทนาบางอย่างต่างๆเกิดขึ้นว่าสุขหรือทุกข์หรือเ บ, บคาเนี่ยมีดีเป็นสมุทฐานก็มีไม่ได้เกิดจากเขี่ยดได้ดีอย่างเดียวใช่ไหมดีในปัจจุบันนี้ก็มีเลยนะ ศาสนาพรมเหล่าใดผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลที่เสวยสุขทุกข์และก็อเวขาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์และเวขาเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากการกระทําในปางก่อนเป็นเหตุก็แล่นไปสู่สิ่งที่รู้กันได้เองและแล่นไปสู่สิ่งที่รู้กันว่าเป็นความจริงในโลกอย่างนี้เป็นควา ม, มไม่ผิดไหมผิดไม่ผิดเห็นไม่ตรงนี้ผิดเห็นไหมบางคนก็บอกว่า มันเป็นกรรมของเราเห็นไหมบอกเอ้า ท, ทําไมถึงไม่เป็นกรรมของเราอยอมรับไปชดใช้กรรนี่แล้วที่จะใ ช, ชก้กรรมม า, มาแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่มรู้จะทํำยังไงเป็นกรรมของโยมแบกหน้าชดใช้มันไปเนี่ยดูเหมือนถูกอ่ะเอาสิแต่ไม่ถูกประการต่อมเาเพราะฉะนั้นเรากล่าวว่า เป็นความผิดของสมณะพราหณ์เหล่านั้นดูก่อนศิวะกะเวทนาบางอย่างมีเสมหาเป็นสมุธฐานบางอย่างนีเห็นไหมก็มีไม่ใช่เสมหาอย่างเดียวแล้วเนี่ยเออไม่ใช่นี้ดีอย่างเดียวเป็นสมุธฐานล้สุขทุกเ ว, เวทนาน่ยสุขเวทน า, าทุกเวทนาแล้วเวขาเวทนาบางอย่างก็มีดีเป็นสมุธฐานบางอย่างก็มีเสมหาเป็นสมุธฐานบางอย่างก็มีลมเป็นสมุธฐานใช่ไหม บางทีก็บวกกันเลยทั้งดีและเสียมหารวมกันเนี่ยแล้วก็ลมเป็นสมุทรานก็มีบางอย่างเกิดจากฤดูได้ไหมฤดูร้อนทําให้ทุกเวนาเกิดไหมฤดูหนาวทําทให้ทุกเวนาเกิดก็ได้ใช่ไหมฤดูฝนทําให้ทุกเวนาเกิดก็ได้ไมะหรืออุบัติเหตุเกิดก็ได้สมรณะเกิดก็ได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมบางอย่างเวทนาบางอย่างเกิดจากฤดูก็มีบางอย่างเกิดจากการรักษาตัวไม่สม่ําเสมอได้ไหมความเจ็บป่วยทั้งหลาย ก็มีบางอย่างเกิดแต่การกระทําร้ายก็มีใช่ไหมเช่นถูกทําร้ายได้ไหมถูกสัตว์กัดบ้างถูกคนตีบ้างถูกประตูส้ายต่างๆบ้างใช่ไหมเวทนาบางอย่างเกิดแต่ผลกรรมคือการกระทําไว้ในอดีตก็มีย่อมเกิดขึ้นในโลกข้อที่เวทนาบางอย่างมีเสมาเป็นสมุทรฐานบางอย่างมีลมเป็นสมุทรฐานบางอย่างมีดีเป็นสมุทรฐานบางอย่างมี หรือดูเป็นสมุทรฐานการรักษาตัวไม่สมานเสมอบางอย่างก็ถูกทร้ายหรือเวทนาบางอย่างเกิดแต่กุศลกรรมอกุศลกรรมและเกิดจากกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเกิดขึ้นในโลกนี้บุคคลพึงทราบกันได้อย่างนี้ก็มีโลกรู้ว่าเป็นของจีนก็มีดูก่อนว่าศีวะในข้อนั้นเออเอสิว่ากัสมณะาาพามเราใดเนี่ยนะมีวาทาและทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลใดได้สวยสุข ท, ทุกข์และอทุกข์มสุข ทังมวลล้วนเกิดจากการกระทำในปางก่อนเป็นเหตุก็แล่นไปสู่สิ่งที่รู้กันได้และก็แล่นไปสู่สิ่งที่รู้ว่าเป็นความจริงในโลกเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นความผิดของสมณพราห์รรเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าโมริยาศิวากาบริภาชกได้กาบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโกดมผู้เจริญเป็นต้นสรุปในสูตรนี้ดีเป็นปัจจัยของสุขเวทนาได้ไหมนะปัจจัยที่หนึ่งนะดี สุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้อทุกขมาสุขเวทนาก็ได้เคยดีกําเริม่มไ้ยเคยเห็นโลกดีสั้นไหมหรือถ้าก็ดีเราอยู่ปกติสุขเวทนาไหมโอ้ยสุขนะบางทีก็ให้โสมนัสเวทนานะโอ้ยน้ําดีบางอย่างโอ้ยให้ความสุขมากเคยถูกตัดดีทิ้งเวลาไม่เคยถูกไม่รู้ไม่รู้ความทุกขจากการไม่มีดีครับเคยเคยถูกตัดดีทิ้งไหม ยังแล้วคิดว่าจะถูกตัดมเมื่อไหร่เราก็ไม่เคยเคยคิดนะว่าจะถูกตัดใช่ไหมจะแต่ในสื่ทีบางทีเขาก็ตัดแล้วก็บางทีก็เหตุผลในการตัดนะ่ะบางครั้งใช่ไหม